จนบางคนอยู่ในอัตภาพของตนเองไม่ได้ไปทำอัติณิวิบาตททำลายร่างกายนี้เสียก็มีล้วนแต่ประเภทที่สกปรกโฉกโรกลุงลังอยู่ภายในจิตในใจทั้งสิ้นทนต่อความลกลุงหลังนั้นไม่ได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเรามีความตื่นตัวขึ้นมาในสาภาพของชาวพุทธเราดีบเร่งมาอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่แบบนี้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 ในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นในสัมผัสนั้นรวมาร์มก็คือการบุคุลทั้ง5านี้เองซึ่งพ่อเราก็สัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่รู้เดียงสาตั้งแต่เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไรรสชาติมันเป็นอย่างไรแต่จาการามสงบเรายังไม่เคยได้สัมผัสเลยพอจิตได้อย่างเข้าสู่ารามสงบจากนี้เรามีข้อมาเปรียบเทียบ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 จากนั้นชีวิตของพวกเราจะแตกต่างจากก่อนนี้อย่างอย่างสุดกู่แต่ก่อนนี้อะไรมาสัมผัสรู่ไหลเข้ามาต่างๆาหูจมูกลิ้นกายมาด้วยรู่เสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตเป็นผู้รับทราบจิตก็หวนไวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสหน้าโกรธก็โกรธจำเป็นเรื่องเป็นเลา่า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 แต่พอเรามาขัดเกา่าแล้วมาปัดฝาดเช็ดตูขัดเก่าจิตใจของเราด้วยจิตตะโทนะจิตที่อยู่กับเราหายใจเข้าหายใจออกได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวัคคดตอนจิตมีความละเอียดเข้าไปจิตเริศสะอาดยิ่งจิตมีความสงบแล้วจิตมีควาเมเบิกบานความผ่องใสที่สุด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 ถ้าจิตไม่มีหลักยึดแล้ว โ, โหยกว่าจะดิ้นลนทุลุนเท่ทาไรกว่ามันจะจมน้ำตายเโอโทุกแสทุกอั น, นี่อย่าพาเป็นประมาทนอนใจขอเตือนทุกคนไว้รีบเล่ยงสร้างสร้างหลักยึดขึ้นมาพอเราลงเรือคือชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่นเนี่ยใช่ไหมให้มีชูชีพเกาะไว้ใส่ไว้ให้แน่นเลยชูชีพนี้ก็คือหลักธรรม